ฉันดีใจที่สุดนะในลูกผู้ชายสมใจแล้วก็ชื่อไพยวันอย่างที่เจตนาไว้ก่อนละน้อยเองก็เป็นคนทำคลอดให้ตามสัญญาจะเป็นคนเรียกชื่อเด็กเป็นคนแรกจกัไพรวันจูเนียปานนี้ก็นอนอยู่ในอกแม่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าไพรวันซีเนียปานนี้นะ่ะไปเป็นพระรามเดินดงอยู่ที่ไหนนี่เมยก็ยังไม่รู้นะถ้ารู้ ฉันว่าเขาคงจะเป็นลงจากไปยังไม่ทันเหมือนกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมา ก, ก่อนเหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝนว่ะเี่ถามไม่สนใจกับเพื่อนและน้องชายที่บนนายกั น, นงึมงำฟังไม่ได้สัต์แต่มองนิ่งไปยังนายอัมพลถามมาเป็นงานเป็นการว่านีุ่ณอัมพล คุณเอาพินัยกรรมของระพิ์ตามที่เขาบอกว่าในจดหมายมาด้วยหรือเปล่าผู้อนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์ไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นเปิดกระเป๋าเอกสารทึ่งเตรียมมาด้วยและขณะนี้ยังวางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเปิดออกหยิบเอาซองสีน้ำตาลขนาดเครื่องลักษณะเหมือนๆกันทั้งสี่ซองออกมาทุกคนเหลือบดูแต่ยังไม่มีใครมีกระจิตกระใจที่จะเปิดออกอ่าน เพราะมีเรื่องอื่นที่เป็นกังวลหนักสมองมากกว่านี่ทำไมมันถึงได้ม า, ากมายตั้งสี่ซองอย่างเงี้ยมราชวงศ์อนุชาฐานคือคู่หนึ่งเป็นของคุณรพินครับอีกคู่หนึ่งนะเป็นของพวกพรานและพวกลูกหาดทั้งหลายตามที่ผมได้เรียนไว้แล้วครับคุณรพินฝากมอบพินัยกรรมเหล่านี้ไว้ที่ธนาคารชุดหนึ่ง ที่ผมชุดหนึ่งแล้วก็ที่คุณชายเชิดไทยชุดหนึ่งสําหรับของผมที่คุณระพิน์ฝากไว้นะผมก็เอามาด้วยครับแล้วก็ถือโอกาสฝากมอบไว้ให้ที่คุณชายซะเลยปต ร, รวจ ด, ดูด้วยนะครับว่าข้อความตรงกันครับระหว่างที่คุณชายใหญ่ยังมองซองพินัยกรรมเหล่านั้นอึ้งอยู่สิงชยันพึนรรมพำออกมาว่า ในที่สุดเมื่อขับขันเข้าตาจนจริงๆระพินก็ยังนึกถึงแกและที่พึ่งครั้งสุดท้ายเชษฐาระพินนั้เป็นคนนำพับและญาติขาดมิตรเ้ามีก็แต่พวกเราสี่ห้าคนที่เคยได้ร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาแล้วนี่เท่านั้นะที่จะนึกถึงได้เมื่อคราวจําเป็นฉันตื่นตันไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ถูกเลย กล่าวจบชัยยันก็โครงศีรษะช้าๆอย่างเศร้าใจพี่นกยรกรมที่เชษฐากล่าวถามถึงและนายอัมพลนำขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าขณะนี้ไม่มีใครสนใจเลยบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยลูกน้องร่วมตายของเขาทั้งสี่คนนะไปด้วยไหม พี่ใหญ่ของราชสกุลวาราริกถามมาครับคุณรพินน่ะขาดเจ้าสี่คนนั้นไม่ได้แล้วครับถึงไม่เอาพวกมันไปพวกมันก็ไม่ยอมทิ้งเจ้านายเปนั้นขาดนอกจากนั้นก็เป็นพวกลูกหาดซึ่งก็เป็นพลานพื้นเมืองมือดีอยู่ในเขตหนองน้ําแห้งลูกบ้านของคุณรพินที่คัดแล้วอีกสิบคนรวมเป็นสิบห้าคนของฝ่ายคุณรพินครับ ยศฝ่ายอเมริกันเน่ก็สองคู่สี่คนครับรวมกับนายทหารไทยยศพันตรีอันเป็นผู้แทนของฝ่ายกลาโหมไปด้วยอีกค น, นเป็นฝ่ายพวกนายจ้างห้าคนครับอเมริกันสองคู่สี่คนเ่ะชายันร้องเสียงสูงเร็วปรือจ้องหน้านายอำพล แต่แปลว่ามีผู้หญิงไปด้วยงั้นดิครับผู้หญิงสองผู้ชายสองครับรายละเอียดผมจะให้มากกว่านี้รวมทั้งรูปถ่ายของแต่ละคนที่ผมแอบถ่ายไว้แล้วแต่ก่อนอื่นอ่ำพลบุยปากไปทางหม่อมราชวงศ์สาวที่ยังนอนแน่นิ่งหายใจรวยๆอยู่บนตักพี่ชายใหญ่ กุรุณาอย่าเพิ่งซักถามอะไรกันให้ละเอียดเดี๋ยวนี้เลยครับคุณหญิงหมดสติไปหลายนาทีแล้วนะครับตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยผมว่าช่วยคุณหญิงให้ฟื้นสักก่อนดีกว่ามั้งครับทุกคนเห็นด้วยระงับการสอบซักนายอัมพลลงชั่วขณะหันมาสนใจดารินอีกครั้งและขนาดนั้นเองขนาดที่ทั้งชยัน และอนุชามามุงล้อมอีกครั้งทุกคนภายในห้องนั้นก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องแหลมของดารินดังระล่ำละลักขึ้นกล้องไปทั้งห้องระพินยาอย่าตามมันไปมันกำลังโ่กคุณไปสูภ่ภัยพิบัติเาศายมาศายช่วยระพินด้วย ดวงตาของหล่อนยังปิดสนิทแต่ปากก็ยังคงร้องเสียงกึกก้องอยู่เช่นนั้นแล้วสุดท้ายก็ร้องวีดอีกครั้งทุกคนขนลุกสู้พร้อมกันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกเช่อถากกดศีรษะน้องสาวไว้นั่นอนุชาเขย่าที่ลำตัวพร้อมๆตะโกนเรียกชื่อน้องสาวสุดเสียงดารินยังไม่ได้สติ แต่เคลื่อนไหวไดิ้นเดินอย่างรุนแรงเหมือนผีเข้าวปาก็ตะโกนซ้ำๆอยู่อย่าอย่าอย่าตามมันไปยุดอันตารายรออยู่ข้างหน้าอัานตารายหยุดเอ๊ถ้าจะไม่ดีใช่แล้วนะครับผมก็โทรเรียกรถพยาบาล น, นี้กว่าครับนายอมพลร้องลั่นออกมาชายันเพ่นพรวดเดียวไปที่โทรศัพท์ แต่เสียงเชื่อถาตะโกนมาว่าไม่ต้องชัยยันไม่ต้องเรียกรถพยาบาลอะไรทั้งนั้นแกกับอนุชามาช่วยกันจับตัวน้อยไว้พยายามเรียกชื่อใหญ่ยยเขาดิ้นนะกดตัวไว้ฉันจะจัดการเองชัยยันเพ็นเขามานั่งแทนที่คุณชายใหญ่ใช้วงแขนกอดรัดรอบศีรษะดารินไว้ในขณะที่อนุชากดตัวไว้ไม่ให้ดดิ้น เชิดาเพนหายขึ้นไปข้างบนอึดใจเดียวก็วิ่งกลับลงมาพร้อมๆกับทูบพ่อใหญ่วิ่งพรวดออกไปกลางสนามยญาทุกคนไม่เข้าใจว่าเชิดาจะทําอะไรนายอมพลคนเดียวที่ยืนภาวะาพะวังเงะ ง, งะอยู่โดยไม่มีหน้าที่อะไรจึงเล่นตามคุณชายเชิดขาออกไปด้วยก็เห็นที่ชายแห่งราชสกุลฉีกห่อทูบออกนับอย่างรวดเร็วออกมาได้สิบดอก จุดเตยไลไ์เตอร์ตดขึ้นทั้งหมดดอกหนึ่งวิ่งเอาไปปักที่สารพระภูมิส่วนนี้เก้าดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือสุดกายลงคุกเข่ากับพื้นสนามหญ้าเทถฐาจบทูปขึ้นเหนือสีสัแระลึกถึงมหาฤาษีโกรธัญญะแห่งเทือกเขานินลาการขออำนาจบารมีของอราหันต์องค์ที่เคยเกื้อกูลพรานีคณะเดินทางทั้งหมดมาก่อนแล้ว ขอให้มาช่วยขจัดบัดเปล่าเพศภัยและปกป้องคุ้มครองน้องสาวผู้เพิอมไม่ได้สติอยู่ในขณะ น, นี้แล้วปักธูปลงกับพื้นดินก้มลงกราบสามครั้งทันใดนั้นอากาศอันเย็นเยียบเกิดขึ้นกลางสนามหญ้าใหญ่หน่าขรือหาดอย่างกะทันหัน ลุมก็หยุดชนะ ก, การทัดในบัตรนั้นควันธูกหมุนตัวขึ้นเต็เกลียวและบัจใจก็สำแดงเป็นภาพประหลาดท่ามกลางความมืดต่อหน้าเช่ฐาและนายอัมพลผู้พลอยนั่งคุกเข่าลงด้วยโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเช่ฐถากระทำพิธีบูชาอะไรภาพนั้นรวมตัวกันด้วยกลมควันทูก มีสันฐานสูงประมาณหนึ่งศอกเป็นรูปของนักบวชฝ่ายอรั ญ, ญวาสีผู้ทรงศรีลพิสุตในท่านั่งสมาธิอยู่ในฌานอันเป็นนิรันดร์นั่นคือสิ่งที่นายอัมพลพอจะกำหนดสันฐานได้แต่สำหรับเทิฐาเขาแลเห็นชัดเจนที่สุดซ้ำในโสตประสาทส่วนลึก หรือมิฉนั้นก็โดยทางจิต แ, แววเสียงของอรหันต์องค์นั้นดังเช่มช้าเยื่ยยินมาว่าเมื่อเท่าทูกที่เจ้าจึดบูชาเรานี้ร่วมลงสู่พระแม่ธรณีเป็นก้อนแรก จงนำเอาเท่านั้นไปเจมิมที่อุณาโลมของน้องสาวเจ้าและภาวนาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ถอยหลังเมื่อนั้นนางจะกลับฟื้นคืนสติมาเช่นเดิมจะไม่มีอาการผีซ้ำดั้พลอยใดๆอีกทั้งสิ้น ขอแสดงความสวัสดีจงมีแก่เจ้าและทุกคนที่ยังระลึกถึงเราอยู่สาธุสาธุพระคุณเจ้าเชิดาพื้นพ ร, รมออกไปขณะที่ร่างกายดูเหมือนจะขยายพองขึ้นโลมาทุกเส้นลุกตั้งชันแล้วก้มลงกราดอีกครั้ง โดยที่นายอัมพลก็ยังคงไม่เข้าใจอะไรอยู่เช่นเดิมเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเฉพาะเสียงสาธุพระคุณเจ้าของเชิดขาอยู่คนเดียวพร้อมกับเห็นคุณชายกราบอีกครั้งในห้องรับแขกใหญ่ของคฤารวราริยังโอลมานอยู่เช่นนั้นเสียงดารินร้องอยู่กรี๊ดกี สียตะโกนเรียกชื่อของอนุชาและชยันแวววออกมาถึงส น, นามหญ้าที่เชษฐานั่งพนมมือสะกดใจรอคอยเท่าทูปก้อนแรกอยู่โดยมีนยอัมพลนั่งคุกเข่าเยื้องไปทางด้านหลังแต่ไม่กล้าเอ่ยถามอะไรทั้งสิน้นนอกจากอาการกระสับกระส่ายขวัญทูปลักษณะประหลาดนั้นสลายตัวลอยสูงขึ้น เป็นทางเพียงไม่ถึงสองนาทีแห่งการรอคอยเท่าทูบก้อนแรกก็ร่วงพลอยลงกับพื้นหญ้าเฉถาละล่ำละลักบอกให้ในายอัมพลขีดไล้เต๊ะสองให้ไม่เห็นทางหนับว่ามันประดิษฐานอยู่กับยอดหญ้าก็บันจงเขี่ยลงมาไว้ในฝ่ามือแล้วถลันลุกขึ้นเร็วตามผมมากูน้ำพล เช่ยตาร้องบอกเท่านั้นก็เล่นกลับเข้าไปในห้องรับแขกอย่างรวดเร็วพวกมือการไทยวายไล่ข้อตามพูงก็เพิ่มเข้ามาด้วยพอถึงพี่ชายใหญ่ก็ตรงเข้าไปทางด้านศีรษะน้องสาวผู้ ก, กำลังหลับตาดิ้นกระสับกระส่ายอยู่ทันทีจบเท่าทูบขึ้นเหนือศีรษะแล้วชายนิ้วชี้ละเลงเท่าในฝ่ามือนั้นแตกยี่ลงบนหน้าผาก เหนื้อวางคิ้วของดารินพร้อมกับภาวนายะธาพุธโมนักอยู่ในใจแล้วเป้าพรว่องลงไตกลางกระมอมของน้องสาวดารินวราริทยุติการดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระสับกระส่ายลงในทันทีสนิทนิ่งไปในบัตรนั้น ข่าวหน้าอนันบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดขีดสุดคลายลงสู่สภาพปกติลมหายใจเริ่มลึกและแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้นพี่ชายนั่นพี่ชายทำอะไรนะอนุชาตะลึงมองหน้าพี่ชายอย่างประหลาดใจขีดสุดเชิดฐาแตะริมฝีปากไว้เป็นสัญญาให้ทุกคนสงบนิ่ง แล้วเอื้อมมือมาจับข้อมือน้องสาวคลำชี้ปรจอเขารู้สึกทันทีว่าอัตราเต้นซึ่งเมื่อครู่นี้เร่งทีกว่าร้อยของดารินค่อยๆลดต่ำลงเป็นลําดับจนกระทั่งกลายเป็น84ครั้งต่อนาทีและร่างกายที่ร้อนผ่าเผาราวกับจับไข้หนักบัดนี้เย็นลงและก่อนที่ใครจะเอ่ยอะไรออกมาอีก ดารินก็ขยับตัวเบาๆยกมือทั้งสองขึ้นช้าๆพนมจรดอกมีเสียงแผ่วเบาขมุบขมิบออกมาว่าพระคุณเจ้ากนธัญญามุนีช่วยลูกและช่วยระพินด้วยเถิดทั้งหมดที่แวดล้อมอยู่รอบกายหันมองหน้ากันอีกครั้งอย่างงุนงง ยกวินเชษฐาคนเดียวที่ถอนใจยาวเยือกก้มลงไปกระซิบข้างหูน้องสาวน้อยน้อยรู้สึกตัวหรือยังน้อยเปลือตาที่ปิดสนิทอยู่ของดารินค่อยๆเผยขึ้นทีละน้อยแล้วก็ลืมสว่างโพรงเหลือตามองหน้าคนโนดทีคนนิทีเท่าที่แวดล้อมวงรอบกายหล่อนอยู่ น, น้อยน้อย น้อยพินไัยไปเนี่ยนั่นเป็นประโยคแรกที่หลุดปากออกมาแอบแอบแสดงถึงสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาเป็นวาระแรกพร้อมกันหล่อนก็พังะกกายขึ้นนั่งเชี่ยวาและอนุชาช่วยประคองขึ้นมาน้องสาวคุณเล็กมีอาการมึนงงคงมองไปรอบๆเหมือนจะทบทวนความทรงจําอยู่เช่นนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นขึ้นเนี่ย ไม่นี้เป็นไงไปเสียงของหล่อนดังสั่นเครือเธอก็เป็นลมหมดสติไปพักใจนะสิแล้วตอนนี้เป็นไงมัง่งพี่ชายกลางจับมือไว้พูดอ่อนโยนจ้องหน้ามาดารินยกมือขึ้นกุมขมับและสะบัดหน้าแรงๆขยับจะลุกขึ้นแต่อีกสามคนกดไหลไว้เสียงชายันบอกมาว่าอย่าเพิ่งยืนน้อยนั่งพักก่อน ราชสกุลสาวจิงชะ ง, งักอยู่เช่นนั้นหม่อมราชวงศ์อนุชาเ ด, ดินไปที่โต๊ะกลางริงบรนดีมาส่งประคองให้บอกให้ดึงดารินยกขึ้นจิบแล้วหลับตาลงครั้งหนึ่งนี่น้อยนัาไปไรไปนี่ก่อนจะลืมตามาเห็นพวกเราทุกคนนี่น้อยรึ้สุขตัวว่ากำลังวิ่งอยู่กลางป่าป่าลึกกันดาน น่าสะพึงกลัวที่สุดแล้วเป็นเวลากลางคืนด้วยโอ้ยมันน่ากลัวอะไรอย่างนั้นหล่อนพูดออกมาเสียงเครือสันห่อตัวลงอย่างสยดสหิวเชิดาโอบไล่กอดไว้นั่นเอาละน้อยพี่และพวกเราทุกคนจะฟังเนเล่าไปสิน่เห็นอะไรพี่ใหญ่คะ น้อยน้อยเห็นระพินนะคะระพินเดินถืนอไรเฟิลอยู่คนเดียวกำลังแวกปารกตามอะไรชนิดหนึ่งมันมันเป็นภาพที่หนักนากลูเหลือประมาณค่ะพี่ใหญ่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่มันมันเป็นมอนสเตอร์ลักษณะเหมือนมัมมี่ที่เราประสบพบเห็นกันมาแล้วในปราสาทพันธุมวดีแต่ประตูตมันใหญ่เหลือเกินครับพี่ใหญ่ หรือยังไงชัยันถามแทรกเข้ามาเอามืออีกข้างหนึ่งลุกแขนตัวเองขยี้แรงๆฉันก็รู้สึกตัวว่าฉันกำลังวิ่งตามไล่หลังเขาไปพร้อมทั้งร้องตะโกนเรียกแต่เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงของฉันเลยเขาคงเดินตามมันไปเรื่อยๆเช่นนั้นรอบด้านเป็นความมืดน่าสยดสยองที่ฉุดฉันวิ่งล้วลุกคลาน ตามเขาไม่ทันแต่ก็เห็นเหตุการณ์อยู่ข้างหน้าไม่ห่างนะมันมันกำลังลอกเขาให้ตามขึ้นไปบนไหล่เขาตอนหนึง่งซึ่งเต็มไปได้วยหุบเหวทันใดนั้นทันใดนั้นฉันก็เห็นแง่สายโผล่มาจากเงามืดตอนหนึง่งไม่ยอมพูดอะไรกับฉันทั้งสิ้นเพียงแต่มองดูฉันแล้วก็ยิ้มอยู่เฉย เป็นภาพของแง่าสายสมัยที่ยังเป็นลูกหาบของเราในครั้งนั้นแหละฉันฉันตะโกนให้เขาช่วยให้เขาติดตามดับพินไปแต่แ ง, ง่าสายก็ยังยืนเฉยเพียงแต่มองตามหลังดับพินไปเท่านั้นฉันวิ่งตามเขาไปอีกมีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนเรียกเขาหยุดแต่แต่เขาก็ยังไม่ได้ยิน หรือไม่สนใจอยู่อย่างนั้นในที่สุดฉันก็สะดุดรากไม้ล้มลงระพินหายไปในความมืดแล้วขณะที่ฉันเงยหน้าตะเก็กตะกายจะลุกขึ้นฉันก็มองเห็นพระคุณเจ้ามหารฤาษีกลตัญญาแห่งภูเขานินลาการมายืนดักอยู่ตรงหน้า รัสมีเรือนกายของท่านอารามสว่างเป็นสีทองท่านยกมือขึ้นข้างหนึ่งในลักษณะประทานพรแล้วบอกกับฉันว่าให้ฉันกลับอย่าตามไปฉันกราบไหว้ให้ท่านช่วยรับพินด้วยจากอันตรายที่เห็นอยู่ซึ่งซึ่งหน้าแต่ท่านก็ไม่ยอมพูดอะไรอีก เพียงแต่บอกให้ฉันกลับเท่านั้นแล้วฉันก็ลืมตาขึ้นมาพบกลับทุกคนที่แวดล้อมฉันอยู่ในห้องนี้ขนะนี้ดารินวราฤทธิ์เล่าเสียงกระท่อนกระแทกมีอาการเหนื่อยหอบหน้ายังขาวซีอยู่เช่นนั้นเชษฐาอนุชาและอัมพลมองตากันอีกครั้ง ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกนี่มันเป็นนิมิตที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยขณะที่นอนหมดสติอยู่ชยันกระซิบกับอนุชาระหว่างที่ดารินคว้าถ้วยแบรนดีไปดื่มอีกครั้งเช็ดาฝืนยิ้มให้ดูเป็นปกติธรรมดาที่สุดปล่าปลอบโยนน้องสาวว่าไม่มีอะไรหรอกน้อยน่าฝันร้ายไปอะ่ะ ฝันในขณะที่เป็นลมหมดสติพี่กับพวกเราก็ช่วยกันประถมพยาบาล น, น้อยอยู่พักใหญ่ทีเดียวกว่าน้อยจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่พี่ใหญ่คะไม่มองเห็นนะคะมองเห็นจริงๆเห็นระพินเขากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายที่ใดที่หนึง่งในป่าเปรี้ยวแล้วก็มืดมิดคะ่ะหล่อนพูดออกมาได้แค่นั้นก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องขึ้นมาดังๆ พูดทั้งร้องว่าเนี่ยเนี่ยวันเกิดของฉันเนี่ยคือของขวัญวันเกิดวันนี้ทุกคนภายในห้องอึ้งไปหมดตื้นตันคอหอยเชษฐาอนุชาและชยยันเชื่อกันพูดปลอบโยนราชสกุลสาวอยู่อีกเป็นเวลานานหล่อนยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ร้องไห้สอือกเสืออื้นเช่นนั้น นายอัมพลเหงื่อแตกพลักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วกระแทกายลงบนโซฟาจัดการรีนบรนดีให้ตัวเองดื่มซะหลายอึกกว่าจะสำรวมสติอารมณ์กลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้ง <c oughs> ก็กินเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาบัดนี้ดารินรวราฤทธิ์นั่งยืดตัวตรงบนโซฟา ในตาหมื่อลอยอย่างปราศจากจุดหมายจับไปที่ผนังห้องทุกคนจับตาดูอาการของราชสกุลสาวผู้อยู่ในภาวะเสียขวัญสุดขีดอย่างเตรียมพร้อมระมัดระวังเพราะไม่แน่ใจว่าหล่อนจะเกิดอาการอันใดขึ้นมาอีกต่อมาทุกคนก็เห็นดารินยืดขึ้นยืดกายอย่างสงา่าริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มอย่างแรนแคน เจ็บปวดโทมนัดหล่อนเดินไปที่โต๊ะหยิบบุหรี่ขึ้นมาตัวหนึ่งจุดสูบด้วยอาการเยือกเย็นที่สุดยืนหันหลังให้แกทุกคนแล้วเอ่ยด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าคุณอ้ำพลพนุนการบริษัททรงสัตว์ออกนอกประเทศแท่พะวาครับผมนอกจากจดหมายฉบับนั้นแล้ว เขาสั่งความอะไรถึงฉันอีกบ้างไหมอำพลริมฝีปากสั่นเชษาลูปหลังอย่างปลอบใจแล้วกระซิบบอกน้อยไปตามตรงเถอะคุณอำพลไหนๆเรื่องมันก็ผ่านมาแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้น้อยมีสติครบถ้วนแล้วแล้วเขาก็ <ๆ S 2> เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬานักสู้คนคมไม่กล่าวหาเล่นงานอะไรคุณนักรก ถ, ถ้ายังไรแล้วก็คุณชายใหญ่กับคุณชายกลางช่วยผมด้วยนะครับผมผมกลัวคุณหญิงยิงผมอะนายอภิกระซิบแทบไม่มีเสียงเฮรนนะรับรองน้อยไม่ทำร้ายคุณหรอกจำไปก็แต่ผมก็ใช้ยยันนั่นแะที่อยากจะเตะคุณแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้วข้อที่จะลบล้างความผิดของคุณได้ ก็มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือให้ความจริงและให้รายละเอียดกับพวกเราทั้งหมดอนุชากระซิบเสียงต่ำๆอม่คนบุรุษวัยสูงอายุซึ่งเปรียบสมัยเสมือนข้าเก่าเต่ า, เ, ตาเลี้ยงของราชสกุลวราฤทธิ์ไล่ความฝืดลงอกด้วยอาการกระแอมไอแล้วบอกมาเสียงอ่อยๆว่าคุณหญิงครับ ประโยคสุดท้ายที่คุณรพินสั่งผมถึงคุณหญิงก่อนหน้าออกเดินทางก็คือกรุณาอย่าได้คิดติดตามกันไปเลยครับแล้วแกก็จะพยายามกลับมาให้ได้ครับโดยไม่ได้หันกลับมาเลยและในท่ายืนเด่นตัวแนวอยู่เช่นนั้นเสียงดารินพูดเนิบช้ามาว่าคุนอำพลวันสุดท้าย ก่อนที่ฉันจะจากเข้ามาในวันนั้นซึ่งคุณอําพลก็รู้เห็นอยู่คืนนั้นฉันไปพักกับเขาที่หนองน้ำแห้งพูดความจริงสะตรงนี้เลยต่อหน้าพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยันน้อยไม่ได้พักที่สถานีกัดศ์ของคุณอัพลหรอกค่ะแต่ไปนอนกับรับพินที่บ้านหนองน้ำแห้งของเขา หล่อนเว้นระยะปัดควันบุหรี่ลึกทุกคนเงียบกริบแต่ระพินก็คือระพินคนเดิมเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วเขาไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้อยแม้แต่นิดเดียวทั้งทั้งที่พูดกันตามตรงน้อยก็ให้ท่าและเต็มใจถึงขนาดนั้นเขารักน้อยแต่ก็ให้เกียบเขารบพี่ใหญ่เคารบพี่กลาง และเคารพในความเป็นผู้ชายใจเหล็กเพชรของตัวเองคืนนั้นน่ะเขาจับเขาเกิดอาการไข้จับสันขึ้นด้วยอาการที่น่าทุเรศแล้วก็น่าสงสารเหมือนอย่างที่พวกเราเคยเห็นกันมาแล้วเพราะเขาหนีน้อยไปนอนตากน้าค้างอยู่นอกที่พักพานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนามาปลุกน้อยมาตอนใกล้รุง่งแบกสภาพอันเป็นไข้หนักของเขามาด้วยและน้อยก็มีโอกาส ได้รักษาพยาบาลเขาอีกครั้งซึ่งนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลนะ่ะมั้งเสียงของหล่อนแหบเหือดไปทุกคนยังเงียบอยู่เช่นนั้นมีแต่เสียงดารินเท่านั้นที่ดังกังวานแผวได้ยินไปทั่วห้องเหมือนจะรำพึงกับตัวเองระพินสั่งค่ายเมื่อเกือบสว่างเรานอนอยู่ในโปงผ้าห่มเดียวกันบนฟูกเดียวกัน และคุยกันอย่างมีความสุขที่สุดเ้าเพียงแต่กอดน้อยในกอดน้อยไว้ในอ้อมแขนเท่านั้นแล้วก็สัญญาว่าจะลงมากรุงเทพในวันเกิดของน้อยคืนวันนี้ขณะ ท, ที่เราสัญญาแก่กันนั้นไม่มีวี่แววเลยสักนิดว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันอย่างกะทันหันชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัว แล้วน้อยก็แน่ใจที่สุดว่าน้อยจะได้เห็นเขาที่นี่ในวันนี้แต่แล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้พินพังลงหมดสิน้นถ้าเขาคิดที่จะพลักหนีน้อยโดยเจตนาน้อยจะไม่เสียใจและจะไม่พะวงอะไรถึงเขาอีกต่อไปเราสุดสิ้นกันแค่นั้น แต่นี่เขาต้องจากไปด้วยภาร ก, กิจที่บีบบังคับเป็นภาวะจำยอมชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้และน้อยก็แน่ใจว่ามันฝืนตัวจิตใจของเขาอย่างที่สุดอนาคตของคนชื่อระพินไพรวันเป็นภาพพร่าซึ่งทำนายไม่ถูกว่าเขาจะได้กลับมาอีกหรือไม่ ทุกคนลองเอาใจตัวเองมาใส่ใจน้อยสิคะแล้วจะรู้เองว่าเดี๋ยวนี้บัตรนี้มันได้แตกสลายย่อยยับไปแล้วเป็นกี่เสียงความเงียบบกคลุมห้องนั้นขนาดแม้เข็มตกสักเล่มก็อาจได้ยินสี่ชายภายในห้องนิ่งงันกันไปหมด เสียงและประโยคที่พูดของดารินวราฤทธิ์ทำให้ทุกคนสลดหดหูและบังเกิดความสงสารจับจิตไม่มีใครสามารถพูดคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นในขณะนั้นไม่มีใครเห็นเพราะหล่อนยังยืนหันหลังให้เช่นนั้นบัดนี้น้ำตาไหลลงมาเป็นทางอีกแต่เจ้าตัวฝืนยิ้มใช้นิ้วกรีดสะบัดออกไป พยายามข่มจิตใจและบังคับให้เข้มแข็งที่สุดเอ่ยเบาๆต่อมาว่าฉันยังจำเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายนั้นได้ติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรากลับมาที่สถานีกักสัตว์ของคุณอัมพลในวันรุ่งขึ้นและร่วมทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันโดยคุณอัมพลเป็นคนจัดเลี้ยงบนสำนักงาน เราทานพร้อมกันสี่คนคือฉันคุณชิตชนกเลขาของพี่ใหญ่ที่ติดรดไปเป็นเพื่อนด้วยตัวคุณอัพลในฐานะเจ้าภาพและเขาระพินสุภาพบุรุษไพรคนนั้นกว่าจะเสร็จอาหารกลางวันมื้อนั้นก็เกือบบ่ายสองโมงแล้วพอเสร็จอาหาร ฉันก็ดื่มอีกแก้วเดียวก็ขึ้นรถเตรียมกลับคุณนำพลกับเขายังเดินมาส่งฉันจนถึงรถคำพูดประโยคสุดท้ายของฉันที่มีต่อเขาคืออย่าลืมนะที่สัญญาไว้ฉันเห็นเขาชิกเท้าตรงแบบทหารซึ่งอาการเช่นนั้น มักจะเป็นอาการที่เขาชอบแสดงล้อเลียนสับพยอกฉันอยู่เสมอนับตั้งแต่พบกันครั้งแรกๆเขาตอบมาอย่างหนักแน่เหมือนทหารรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าครับผมไม่ลืมครับผมแล้วรถของฉันก็เคลื่อนออกห่างออกมามือเขายังแตะปีกหมวก ทำวันทยาหัสอยู่เช่นนั้นส่วนฉันก็บวกมือกับเขาทางกระจกหลังรถจนกระทั่งรถลับออกไปจากบริเวณของสถานีกักสัตว์นั่นเป็นภาพครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันได้เห็นระพินไครวัดฉันไม่ได้เฉลียวใจคิดแม้แต่นิดเดียวว่า นั่นมันอาจเป็นสัญลักษ์การจากชั่วนิรันดร์ทำไมนะทำไมไม่มีอะไรมาเตือนใจฉันสักนิดถึงลางร้ายนี่ถ้าฉันรู้ล่วงหน้าว่าหลังจากที่ฉันผลักมาแล้วมันจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นฉันจะไม่มีวันจากเขาเป็นั่นค่ะเป็นตายร้ายดียังไงก็จะขออยู่เฝ้าเขา ที่นั่นจนถึงที่สุดยังไม่มีใครพูดหรือเคลื่อนไหวใดๆอยู่เช่นเดิมห้องใหญ่ทั้งห้องอยู่กันหลายหลายคนราวกับว่าแต่ละคนเป็นใบเบื่อกันไปหมดขอมีแต่เสียงนืบช้าชัดเจนเป็นจังหวะของน้องสาวคนเล็กของตระกูลเท่านั้นที่พูดเหมือนจะรำพึงรำพันกับตัวเอง สาเสียงนั้นเศร้าซึมสะเทือนบาดลึกลงไปในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยิ น, นมาเมื่อตอนดึกของคืนที่ผ่านมานี่เองสังหรณ์ร้ายจึงได้ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของฉันฉันฝันฝันเห็นแง่ทรา ย, ายในชุดของฟางกระเรียง มาจืนอยู่ปลายตีนเตียงบอกความกับฉันอย่างชัดเจนว่าขนาดนี้ระพิดกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางป่าลึกแล้วฉันก็เห็นภาพระพินกำลังนอนตัวขุดคูอยู่เดียวดายสั่นเป็นลูกนกด้วยพิษกับเริ่มของมาเรีย ไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดหรือช่วยเหลือเขาเลยเขานอนเป็นไข้หนักอยู่คนเดียวฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวสั่นเทาไปหมดพอดีกับพี่ใหญ่และพี่กลางกลับจากงานสโมสรสันนิบาตฉันรีบลงมาเล่าความฝันร้ายให้ฟังแต่ทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางหัวระฉัน ด้วยความขบขันหาว่าฉันคิดถึงระพินมากไปเลือดลมให้ปกติจึงฝันร้ายแล้วก็ไล่ฉันให้กลับขึ้นไปนอนเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหลับตาที่ไรมองเห็นภาพระพินเป็นไข่จับสันอยู่กลางป่าทุกทีแล้วก็วันนี้ เดี๋ยวนี้แหละความจริงทั้งหลายมันก็ได้ปรากฏชัดขึ้นแล้วว่าความฝันของฉันไม่ได้หลอกตัวเองเลยหลนหันช้าๆกลับมาทางพี่ชายทั้งสองที่นั่งคอแข็งอยู่ถามว่าจริงไหมครับพี่ใหญ่พี่กลางความฝันของน้อยเมื่อคืนนี้เป็นความจริงหรือเปล่า หรือทั้งสองคนยังจะพูดอยู่อีกว่าน้อยนะักคิดมากไปเองพี่ชายทั้งสองสะอึกตอบคำใดๆไม่ถูกพี่ชายใหญ่ชะโงกไปหยิบซิก้าในกล่องบนโต๊ะขึ้นมาจุดพี่ชายกลางเดินเข้ามาโอบกอดน้องสาวไว้แนบอกตบหลังอย่างปลอบโยนแล้วจูงมือให้มานั่งที่ชุดรับแขกซึ่งทุกคนรวมกันอยู่ เสียงชายันถามเชิดถาขึ้นเบาๆว่าเมื่อคืนน้อยฝันอย่างงั้นอ่ะพี่ชายใหญ่ของตระกูลไม่ตอบได้แต่ก้มศีรษะรับเอาหลังมือขยี้ปลายฉมุกชายันพึมพำมาอีกว่าแต่ไหนแต่ไรมาล้วนับตั้งแต่เดินป่าอยู่ด้วยกันฉันรู้สึกว่าน้อยจะมีเซนอะไรพิเศษ สามารถจะรับรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าชนิดที่คนอื่นมองไม่เห็นเสมอและถ้าเขาสังหรณ์อะไรก็มักจะจริงทุกครั้งฝันอะไรก็แม่นยำเบียงตาเห็นมนราชวงอนุชา ย, ยัางคงประคองไหล่น้องสาวอยู่เช่นนั้นมองไปทางนายอมพลซึ่งนั่งนิ่งอยู่ <S <S เอาละคุณอัมพล ครั้งนี้เราจะหารายละเอียดกันออกไปให้แน่ชัดสัทีถึงการเป็นไปเป็นมาเท่าที่คุณจะให้ได้เกี่ยวกับเรื่องระพินเข้าป่าในครั้งนี้ครับคุณชายกลางเรื่องอื่นผมก็เรียนให้ทราบปเป็นเล่าๆแล้วทุกท่านสงสัยยังไงก็โปรด ถ, ถามทีละอย่างดีกว่าครับผมจะไม่ปิดบังอะไรแร้วอ่ะคุณรัมพลขอย้ำอีกครั้งนะให้คุณสบายใจซะก่อนเลยว่า พวกเราทุกค น, มนไม่ได้โทษหรือประทับว่าเป็นความผิดของคุณเลยใช่ไหมพี่ใหญ่ช ย, ยันอดีตนักเดินป่ากระดูกเหล็กไหลผู้เคยจะเอาชีวิตไปทิง้งแทะในดินแดนหลงสำรวจผู้ชาน้นามว่าชดประชากรหันไปทางพี่ชายใหญ่และเพื่อนเหมือนจะให้รับคำสนับสนุนนั้นเชษฐาและช ย, ยันก้มศรีรษะลงถูกต้องเราไม่โทษคุณ ด้วยประการทั้งปวงนายอมพลถอนใจออกมาให้อย่างโล่งอกยกมือท่วมหัวเจว้พปคุณผมเองตลอดระยะเวลาเดินทางมาหนีก็บนบานสารเล่ามาทุกขนาดเลยว่าขอให้ผมรอดพน้นจากข้อหานี่เถอะท่านทั้งสามเป็นสุภาพบุรุษที่มีเหตุผลและจิตใจก็ถึงแล้วทั้งนั้นผมโง่อยู่ท่านเดียวเท่านั้นะครับคือคุณหญิงดาริน คุณหญิงคงโกรธแค้นผมมากแล้วครับบารินเม้มปากแล้วยิ้มเศร้าๆสันศีสั่งพูดแผ่วเบาเปล่าเลยคุณลำพลฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกภายหลังจากใคร่ครวนถึงเหตุผลโดยท่องแท้แล้วฉันว่ามันเป็นคราวเคราะ์ร้ายของฉันกระรพินซึ่งอะไรมันก็ช่วยไม่ได้สิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด แต่คุณคงห้ามไม่ฉันเสียใจไม่ได้ครับผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์ยกมือไหว้หม่อมราชวงศ์หญิงดารินแทบจะเป็นอาการกราบผมนับใจนับถือน้ำใจคุณหญิงครับนับถือน้ำใจของทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าชายเจ้านายของผมแล้วก็ทราบดีครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมจะหลีกเลี่ยงจากการพัวพันไม่ได้เป็นเด็ดขาดโดยแท้จริงแล้วผมเชื่อครับ ว่าทุกท่านก็คงจะหนักดีว่าผมก็เสียใจในการจากไปของคุณรพิน์ไม่น้อยกว่าพวกท่านเหมือนกันแต่มันก็เป็นเหตุการณ์สุวิสัยที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเพราะมีภารกิจของประเทศชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มตัวทุกท่านเสียใจตกใจผมเองก็เสียใจแล้วก็ตกใจมาก่อนท่านแล้วครับแต่ผมจะทํายังไงได้จะมีปัญญาสกัดกั้นได้ยังไงล่ะครับ นำพลกล่าวแหบเหือดสันศีรษะไปมาอย่างเศร้าใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจไม่ใช่เสียแซงน้อยจะถามอะไรก็ถามเข้าไปคุนนำพลไม่มีอะไรจะปิดอีกแล้วล่ะไทยหลังจากที่เขาปิดกันมานานตั้งเจ็ดวันเต็มๆตามคํามั่นสัญญาที่ระพินเงเป็นผู้ขอไว้พี่ชายกลางผููกับน้องสาวเล็กหล่อนสันหน้าช้าๆน้อยก็ผู้ไรไม่ออกในขณะนี้ค่ะ แล้วก็ไม่ทราบจะถามอะไรมันมึนงงไปงะทั้งนั้นก็พี่ใหญ่แล้วกันครับรู้สึกจะสุขุมรอบคอบกับพวกเราทุกคนอนุชายกหน้าที่ให้ห้าสิบสี่ภายหลังจากนิ่งไปครู่เทถาก็วางซิก้าลงเกตนาจะปล่อยให้ดับไปเองบนที่เคียแล้วริมบานดีหยิบถ้วยขึ้นมาประคองไว้จะเย็น คอยพูดคอยจากันก็ได้อย่างน้อยเราก็มีเวลาที่จะคุยกับคุณอัมพลทั้งคืนถ้าจำเป็นใช่ไหมคุณอัมพลใช้ร่างอ้วนใหญ่อาชีพส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศโดยอภิสิทธิยิ้มแห้งๆครับกี่คืนก็ได้ครับคุณชายถ้าหากพวกท่านยังไม่กระจ่างพอไม่มีอะไรที่จะปิดบังเราแน่นะครับผมสาบานครับ เม่กลับออกมาจากสถานีกักสัตว์ของคุณประมาณบ่ายสองโมงเจ้ากรมข่าวทัพ บ, บกลูกชายและเมกันชุดนั้นไปถึงสถานีของคุณในบ่ายวันเดียวกันเลยแต่คนละเวลางั้นใช่ไหมครับผมเวลาประมาณสักเท่าไหร่ก็ราวๆสี่โมงเย็นเศษเศษครับก็แปลว่าสวนทางกับการเดินทางปรับของน้อยอ่ะ ก็คงจะสวนทางกันแะครับพี่ชายใหญ่เหลือไปทางน้องสาวผู้นั่งเงียบเป็นฝ่ายฟังอย่างเดียวพูดด้วยเบาๆว่าก็เฉียดเวลากันนิดเดียวเท่านั้นแหละน้อยน้อยกลับพวกนั้นก็ไปแล้วก็เอาระพินหายไปเลยนับตั้งแต่นั้นประโยคหลังดูเหมือนจะพูดให้เป็นแง่สับพยอขำขันแล้วหันมาทางนายอัมพลต่อ ระพินรู้สึกว่ามีทีท่ายังไ ง, งไมั่งเมื่อรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเมื่อพบและทราบวัตถุประสงค์ของคนชุดนั้นภายหลังจากที่คุณให้คนไปตามเข้ามานายพลถอนใจเยือกอีกครั้งครั้งแรกคุณระพินแกลโกรธมากครับแต่ไม่ได้ความหงุดหงิดพุ่งพล่านแล้วก็จะไม่ยอมท่าเดียวแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องจานนต่อเหตุผลครับ มีเรื่องของประเทศชาติเข้ามาเกี่ยวข้องผมเห็นสีหน้าจากการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณระพินแล้วน้ำตาจะร่วงให้ได้ครับสงสารยันบอกไม่ถูกแกไม่ได้มีความเต็มใจนำในครั้งนี้เลยครับแต่ก็ต้องไปด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของพรานที่ชื่อระพินไพรวันและการมอบหมายหน้าที่ของทางราชการรับ ทุกท่านโปรดเข้าใจนะครับว่าการไปของคุณรบพินในครั้งนี้ไม่ได้รับจ้างเหมือนเมื่อครั้งนำพวกคุณชายไปหากจะเป็นภาวะจายอมที่เลี่ยงไม่ได้ดังได้กล่าวแล้วผลประโยชน์อันเป็นเงินก้อนที่แกและพวกพรานของแกได้รับนะเป็นแต่เพียงรางวัลตอบแทนที่ทางรัฐบาลสหรัฐจะมอบให้เท่านั้นซึ่งตัวแกเองและลูกน้องทุกคน ก็ไม่มีใครคิดว่าจะได้กลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากจะทิ้งไว้เป็นมรดกของคนที่อยู่ข้างหลังเท่านั้นเพราะแกสั่งผมให้จัดการหาทนายความมาทำพินัยกรรมผมก็เสื้ออื้นอยู่ในหัว อ, อกแทบจะร้องไห้โฮมาดังๆผมก็ท่วงแกแล้วว่าไม่ควรทำอะไรให้เป็นลางอย่างนั้นแต่แกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนจะ ต, ต้องไม่ประณนะไม่ไม่ประมาท พราเงินตอบแทนน่ะถึงมันจะไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยนักยังไงก็พอที่จะเป็นเครื่องยังชีพของคุณแม่แกได้ตลอดชีวิตผมก็ไม่อยากขัดใจอะไรแกก็ต้องทําตามที่แกต้องการผมขอเรียนตามตรงครับครั้งแรกค่ะคุณระพินขวัญเสียมากครับไม่ใช่เกิดเพราะความขาดหวาดกลัวหรือระย่อต่อ ง, งานหนัก เสียงชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมรู้ว่าแกรู้ตัวว่าจะต้องจากไปอย่างไม่รู้อนาคตต้องจากคุณหญิงและพวกเราทุกคนซึ่งแกเองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่แต่ก็ชั่วขนาดเดียวเท่านั้นแหละผมก็เห็นแกกลับมาเป็นคนเข้มแข็งอันเป็นบุคลิกเดิมของแกอาจองแล้วก็ไม่หยีร ะ, ะอะไรทั้งสิ้น ภาพของคุณรพินในขณะที่แกตัดสินใจเฉียบขาดด้วยจะต้องรับนำทางภาพของสีหน้าแววตาและลักษณะยืนของแกประทับใจอยู่ในมโนภาพของผมจนบัดนี้ครับชนิดที่ไม่มีวันลืมเลือนไปได้สำหรับคุณหญิงและพวกเราทุกคนที่นี่เมื่อรู้ข่าวการจากไปของแกมีความรู้สึกขุมขืนปวด ร, ร้าวยังไง ผมก็ขอสาบานว่าวันที่ผมเห็นแก่จกักหนองน้ำแห้งไปนะ่ะแกก็มีความขมขื่นปวดรา้าวยิ่งกว่าพวกเราทุกคนร้อยเท่าพันทวีครับเสียงของนายอพลขาดห้วนหายไปน้ำตาของเขาเองเริ่มไหลซึมเมื่อย้อนนึกถึงภาพนั้นดารินเสออื่อออกมาดังๆยกมือปิดหน้าอีกครั้ง ช ย, ยันตาแดงกัดกรามแน่นอนุชาหนิ่งขึงจัง ง, งังส่วนเชษฐากระดกแก้วบรนดีวาดเดียวหมดแล้วรินใหม่ยังเยือกเย็นบังคับมือไม่ให้สัน่นภายในห้องสังหัดไปอีกบรรยากาศเต็มไปได้วยความเศร้าซึมขั้นหนักดารินพึมพำรรออกมาว่ารบพิน เข้าใจความรู้สึกของคุณดีที่สุดถ้าฉันเห็นภาพของคุณในวันนั้นเหมือนอย่างที่คุณอำพลเห็นฉันคงขาดใจตายคุณอำพลระเบิดลูกนั้นน่ะเป็นนิวเคลียสิทธ์ไม่กระตันใช่ไหมเชิดถ า, ถามเครึ่งขึนต่อไปครับผมสิท์ไม่กระตันครับผม มันศูนย์ไปพร้อมกับบีห้าสิบสองซึ่งแหล่งข่าวยืนยันแน่นอนว่ามันหายไปในระหว่างบินผ่านพมา่าตอนตะวันออกเฉียงเหนือหรืออะไรในทื่เถือกนั้นล่ะครับผมก็ฟังไม่ชัดนักอะการค้นหาของรัฐบาลสารัฐได้ทำกันมาพักใหญ่แล้วแต่ไรผลโดยสิ้นเชิงจึงต้องตัดสินใจค้นหาทางภาคพื้นดินโดยอาศัยพรานนาทางมือดิน แล้วก็ต้องอย่างซ่อนเร้นเป็นความลับที่สุดครับผมเองแอบเอามาบอกความจริงกับพวกท่านนี่ถ้า c ีไอเอรู้เข้าเมื่ อ, อไรผมก็คงถูกเก็บปะครับฟังดูมันอาจจะย่อนเหตุย่อนผลไปหน่อยนะคุณนำพลชายันขับขึ้นทันทีเครื่องบินบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ตกกองทัาอากาศรัดน่ะเหรอ จะค้นแหล่งไม่พบถึงก็จะต้องให้พรานนำทางค้นหาภาคพื้นดินน่ะทุกคนจ้องหน้านายอัมพลเป็นตาเดียวฝ่ายถูกซักไซ้เต็มไปได้วยความอึดอัดใจครับผมเองครั้งแรกก็ฟังเป็นสิ่งเหลือเชื่อเหมือนกันครับแต่ภายหลังจากใค่ครวญดูแล้วประกอบกับเหตุผลของคนที่ถูกรัฐบาลสารัฐส่งมาเหล่านั้นเขาอธิบาย ผมก็มองเห็นความจริงอยู่บ้างเหมือนกันครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ท่านเคยผ่านปา่าแล้วก็ดินแดนอาถรรพ์รีลับพิสดารมาแล้วท่านคงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่บางพื้นภูมิประเทศไทยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายุคใหม่จะง่ ง, งมทําอะไรไม่ได้เลยเครื่องบินลานั้นมันอาจจะพลัดหลงเข้าไปในแดนสนธยาหลงสารวจก็ได้ครับ ลองคิดถึงความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและความลี้ลับของป่าดงที่พวกท่านผ่านกันมาแล้วสิครับพวกท่านคิดกันมาบ้างไหมเราจะใช้เครื่องบินที่มีสมรรถภาพที่สุดในโลกลาไหนบินสำรวจหาเทือกเขาพระศิวะหรือมรกตนะนะครได้ถ้าไม่ใช่เพราะเดินตามลายแทงผ่านความลี้ลับมหาสัจจันท์ทั้งหลายไปเป็นปลอก ก็อาจจะจริงอนุชา ย, ยอมรับก้มหัวลงทีนี้เรื่องมันพิสดารอยู่ตรงที่ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงได้เจาะจงมาที่ระพินของเราชนิดตรงเป้าหมายเป๊ะเลยล่ะคุณข้อนี้ผมก็งงเหมือนกันครับพวกนั้นทำทีเหมือนจะมาแสวงหาพรานนำทางทั่ ว, วไปซึ่งกลบเกลื่อนความจริงไว้อย่างสนิทแนบเนียนมาก แต่ผมมาทราบจากท่านพลโทวิชัยภายหลังนะครับว่าพวกนั้นได้รับคําสั่งให้เจาะจงตัวมาโดยเฉพาะทีเดียวไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขามันดีชื่อระพินภัยวันออกมาทันทีภายหลังถูกป้อนข้อมูลเข้าไปว่าพลานคนไหนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนประสบการณ์ความสามารถเพียงไรที่จะเป็นผู้นําทางในครั้งนี้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ดีชื่อระพินออกมาเหรอ เชิดาชยันและอนุชาร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันอ้าปากค้างส่วนดารินยังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากก้มหน้าเช็ดน้ำตากนไหนว่าอย่างนั้นแหละครับไม่จะคุณเป็นคนเสนอชื่อแนะนำเขานะถูก<ธ>ท่านครับผมไม่จะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณระพินน์น้ำใม่อะ่ะเพราะท่านในพลตรงไปพบผม ก็ส่งชื่อระพินหมัดให้ผมไปตามมาทันทีอีตอนนั้นน่ะผมยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าท่านให้ตามมาทำไมถ้ารู้ล่วงหน้านะครับผมก็จะส่งคนไปบอกคุณระพินว่าให้หลบหน้าหนีไปซะก่อนลนะ่ะหน้าที่ของระพินก็คือพรานนําทางแสวงหาตำแหน่งตกของเครื่องเพื่อจะพบระเบิดลูกนั้นใช่ไหมคุณครับพรานนาทางพรานคุ้มกันพ่านผู้นา เพื่อค้นหาซากตกของเครื่องบินให้พบตามพิกัดที่เขากำหนดมาให้เป็นเราๆโดยการควบคุมติดต่อกับสถานีลอยกลางอากาศทุกระยะพวกนั้นมีวิทยุรับแสงแรงสูงติดตัวไปด้วยครับสมรรถนะของมั น, นผมเข้าใจว่าสามารถส่งถึงดาวเทียมอันเป็นหอบังคับการได้อย่างสบายหรืออาจจะส่งตรงทำเนียบขาวก็ยังไหวอะ่ะเออ แล้วคุณบอกว่ายังไงนะมีพวกอเมริกันเพียงสี่คนนายทหารไทยอีกคนหนึ่งระพินกับพรานนำทางลูกหาบรวมแล้วแค่ยี่สิบคนอะแล้วสมมติว่าค้นพบรูประเบิดลูกนั้นพวกเขาจะมีปัญญา ก, กู้กลับมาได้ยังไงอนุชาอุทานลั่นออกมาอย่างงงวยชยันโบกมือนี่กลางไอ้เรื่องนี้แกไม่ต้องเป็นห่วง ฉันพอจะเข้าใจขอให้ระพินนําพวกนั้นไปให้พบระเบิดก่อนเท่านั้นแหละไอ้วิธีกู้ของเขานี่ยมันง่ายได้วิทยุรายงานตําแหน่งแห่งที่แน่นอนเชอย่างเดียวเท่านั้นแหละกําลังทางอากาศจากกองบินปีกหมุนก็จะพลูกันไปทันทีอีทีนี้ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ว่าระเบิดตกอยู่ตําแหน่งไหนจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ถึงจะค้นพบได้จะต้องเสี่ยงภายในป่าลึก ซึ่งเต็มไปด้วยสารพัดอันตรายใดบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีภัยจากกรรมันตภาพรังสีที่อาจจะรั่วออกมาไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องความลับทางราชการทหารที่สำคัญสุดยอดและเป็นการปฏิบัติงานแบบใต้ดินซ่อนเร้นฉันกลัวรพินกับพวกของเขาทั้งหมดจะถูกหักหลังค่าตายหมดกลางป่านั่นแหละ ภายหลังจากที่ช่วยพวกนั้นกู้ระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิฐถากับอนุชารีตาหลบดารินเองก็เงยหน้าขึ้นทันทีนายอำพลพูดเสียงแผ่วต่ำต่อมาว่าครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมหวั่นเกรงที่สุดแล้วครับขอเรียนจากใจจริงนะครับว่าภัยอันตรายใดๆจากป่าใหญ่ไพรกว้างผมเชื่อมือคุณระพ แต่ภัยจากการหักหลังนี่น่ากลัวที่สุดครับดูผัดผาดว่ า, พ, าพวกนั้นน่ะไปกันแค่สี่คนสองคู่ก็จริงแต่ถ้าพบระเบิดเมื่อไหร่และกองกำลังทางอากาศมาถึงเมื่อไหร่ฝ่ายคุณรพินจะเสียเปรียบเต็มประตูจะยังไงก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรพินเองแกก็ตรนหนักได้ดีล่วงหน้าแล้วสาหรับลูกชายของท่านนายพลที่เสี่ยงชีวิตไปด้วยนะชื่อพันตรีเชิดบุ นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคงเป็นฝ่ายของคุณรพินแน่แล้วเพราะถึงยังไงก็เลือดไทยด้วยกันอืมลักษณะท่าทีของเมริกันสี่คนน่ะในสายตาของคุณคุณว่าเป็นยังไงมั่งคุณอำพลเชิดถาสอบก็อยู่ในคราบของนักวิชาการทางเทคนิคแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้ระเบิดโดยตรงตัวหัวหน้าน่ะเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพลังงานนิวเคลีย รองลงมาก็เป็นพันเอกทหารบกแต่ชำนาญทางการบินและวิทยุสื่อสารกาเสนาธิการผู้หญิงคนหนึ่งนะผมทองเป็นนักเคมีฟิสิกส์อีกคนหนึ่งนะผมแดงเป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็อายุรแพทย์ชำนาญทางโรคเมืองร้อนแต่ทั้งสี่คนนั่นแหละครับ c a ่ชั้นหัวกะทิทั้งนั้นนี่เป็นความรู้สึกของผมนะครับ ส่วนรายละเอียดและภาพถ่ายสีของบุคคลเหล่านี้ผมมีอยู่แล้วนี่ครับปาวพรางอัมพลพลากรก็หยิบเอาแฟ้มบางๆอีกแฟ้มหนึ่งซึ่งเตรียมไว้แล้วในกระเป๋าเอกสารยื่นส่งให้เชิดถาอนุชาและชยันก็เข้ามานั่งประกบข้างมุงดูทันทีที่เชษดถาค่อยๆเปิดในขณะที่ดารินยังนั่งซึมเฉยอยู่ ตามองทอดจับอยู่ที่ซองพินัยกรรมซึ่งทิ้งไว้บนโต๊ะดวงตาทั้งคู่ของหล่อนแดงชำ้ำหล่อนร้องไห้มามากจนไม่มีน้ำตาจะไหลอีกแล้วจากแฟ้บส่วนตัวของนายอัมพลให้ความละเอียดแก่คณะผู้ที่มงดูอยู่ในขณะนี้พอสมควรทีเดียวมันมีทั้งรูปถ่ายใบหน้าและอากัรกิริยาต่างๆของอเมริกันทั้งสี่คนในลักษณะรอบแอบถ่าย โดยไม่ให้รู้ตัวรวมทั้งภาพนายทหารไทยที่ชื่อพันรีเชิดวุฒิไกรร น, นยุทธด้วยมีชื่อและรูปประพันธ์ของแต่ละบุคคลอยู่ใต้ภาพทุกภาพเป็นภาพสีทั้งสิน้นถ่ายในอิริยาบถต่างๆทั้งในห้องรับรองของสถานีกักษัตว์และบริเวณสถานีตั้งต้นของการเดินทางคือที่หนองน้าแห้งบางภาพชัดเจนดีมาก บางภาพเสยไม่พอพระมูไปบ้างแต่ก็สามารถจะจำใบหน้าตลอดจนลักษณะสันฐานได้อย่างสบายถ้าหากได้พบตัวจริงมันแสดงให้เห็นถึงว่านายอัมพลพลากรเป็นมวยอยู่เหมือนกันและก็วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะทำบันทึกรูปพัณฑ์ของคนเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะออกเดินทางบันทึกใต้ภาพของแต่ละบุคคล ไม่ใช่ประวัติของคนเหล่านั้นแต่มันรายงานตามความคิดเห็นของตัวนายอัมพลเองในการที่จะระบุว่าใครเป็นอย่างไรอายุประมาณสักเท่าไหร่ตลอดจนลักษณะท่าทีและอุปนิสัยใจคอโดยระบุเอาไว้ว่าบินสเตลีหัวหน้าคณะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธนิวเคลียร์และพลังงานปรมาณู พันเอกลารีคิดนายทหารเสนาธิการนักการวิทยุและเชี่ยวชาญการบินคริสติน่ากรูบิล น, นักเคมีฟิสิกส์ผมสีทองอิซาเบล์มูอายุรแพทย์และนักธรณีวิทยาเทฐาอนุชาและชยัน ตรวจสอบอย่างละเอียดที่ท้วนที่สุดและหารือกันเบาๆในขณะที่ดารินยังนั่งซึมเฉยหล่อนไม่ได้เข้ามาร่วมดูอยู่ด้วยนายอมพลทาหน้าที่อธิบายเมื่อถูกคนใดคนหนึ่งซักถามถึงรายละเอียดสามคนพูดภาษาไทยได้ดีครับโดยเฉพาะแม่ผมสีบรอนที่ชื่อคริสตินานะถ้าพูดโดยไม่เห็นตัวก็ต้องนึกว่าเป็นคนไทยเราดีๆนี่เอง ส่วนลาริคีตนะพูดภาษาไทยได้งูงูปลาๆาครับอัมพลขยายความด้วยเสียงแผ่วเบาทั้งสามชายพิจารณาไปทีละภาพในอิริยาบถต่างๆของบุคคลเหล่านั้นแล้วเหลือบตามองดูกันเองอมืมันก็จริงของกณน้ำพลนะลักษณะของทั้งสี่คนนี่มันสายลับทั้งนั้นเลยชายันกระสิก ไม่พูดอะไรทั้งสิน้นแต่ชี้นิ้วไปยังภาพของคริสติน่ากรูเบียกับอิสเบล์มูชายันและอนุชาจ้องขมิงและโดยไม่ได้นับกันไว้ทั้งสามชายแอบชำเลืองไปทางดารินวาราริสผู้นั่งมือลอยอยู่ต่อมาต่างก็มองไปทางนายอัมพลผู้มีสีหน้าเจือเซียวซีอยู่ตามเดิม อนุชาผู้นั่งอยู่ใกล้นายนอำพลมากที่สุดดึงปากกาออกมาจากกระเป๋าเขียนอะไรอย่างรวดเร็วในเศษกระดาษส่งให้ในายอำพลดูผู้หญิงอเมริกันสองคนนะ่ะสวยมากเกินกว่าที่จะไปทำงานชนิดนี้ทั้งสองคู่นี้เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าโนตนั้นก่อนจะส่งไปให้ในายอำพลเฉษฐากัะชายันก็มองเห็นข้อความ ตางขบ ป, ปากเงียบเพราะตระหนักได้ดีว่าอนุชาไม่ประสงค์จะเอ่ยเป็นคำพูดใดๆออกมาเกี่ยวกับหญิงอเมริกันทั้งสองให้ดารินได้ยินอัมพลนั้นพอมองเห็นโน้ตก็เข้าใจความได้ดีรอบมองไปทางดารินเห็นยังไม่ได้หันมาเอาใจใส่ใดๆก็รอบเขียนตอบไปในโน้ตว่าลักษณะไม่ใช่สามีพัญญาแต่เป็นผู้ร่วม ง, งาน ความสวยนะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเจตนาโดยโตรงที่คัดเลือกตัวกันมาแต่ซ่อนความร้ายกาดไว้ด้วยกันทั้งคู่ตามความเข้าใจของผมชัยันรอบสะกิดเข่าเชษฐาและบุยบ่ายเป็นความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเชษฐาจึงแก่รูปสาวอเมริกันผู้เชอโฉมราวกันนางงามทั้งผมสีทองและสีแดงออกจากแฟ้มประวัติจนหมดแล้วรอบใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองไว้ คงทิ้งไว้แต่ลักษณะรูปพัณฑ์ที่นายอำพลบันทึกไว้เท่านั้นจากมันก็แท้งพูดขึ้นโดยเสียงปกติว่านี่คนนี้เหรอพันทริเชิดวุฒบุตรชายของท่านนายพลที่เสียชีวิตไปด้วยครับผมแกเป็นท อ, อของคุณพ่อแกเองด้วยครับนิสัยดีครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ากับคุณรพินได้อย่างสนิทคุณรพินก็ชอบแกมากครับ แล้วมันก็เจ้ากรรมหรือเกินไอจัดแอร์คอนดิชันในห้องโชยมาวูบหนึ่งเป่าเศษกระดาษที่อนุชาและนายอัมพลเขียนโน้ตโต้ตอบกันยื่นส่งกันไปมาก่อนที่ใครจะทันขยันทิ้งปลิวข้ามโตะ๊ะมาตกลงตรงหน้าของดารินพอดีทั้งสี่ชายใจหายว่าเมื่อเห็นดารินเหลือบมองแล้วหยิบขึ้นมาพลิกขึ้นดู ข้อความที่ปรากฏอยู่ในนั้นก็พันประจักษ์แจ้งกับสายตาของหม่อมราชวงศ์สาวท่ามกลางการนิ่งอึ้งของสีชายในห้องนั้นดาลินมองหน้าไปทีละคนประกายตาของหล่อนสว่างขึ้นมาทันทีจากสภาพอันเลื่อนลอยไม่เข้าใจนะคะนี่ทำไมจะต้องมีการส่งสิกแนวกันด้วยภาษาเขียนแบบนี้ด้วยนะส่งแฟนมาให้น้อยดูซิ หมดหนทางจะหลีกเลี่ยงหรือปกปิดใดๆได้ซะละเชิถายังนั่งเฉยวางแฟ้มไว้กัะตักอนุชาชายยันก็นิ่งส่วนนายอำพลไม่กล้าสบตาดารินชะโงกตัวมาแบมือพี่ใหญ่คะคอยน้อยดูหน่อยสิคะเชิถาวางสีหน้าเรียบส่งไปให้โดยดี น้องสาวคนเล็กเปิดออกพิจารณาเงียบๆอยู่คนเดียวอึดใจก็เงยหน้าขึ้นพูดอย่างปกติที่สุดว่าขอดูรูปผู้หญิงในาการสองคนด้วยค่ะมีรอยแกะออกไปจากแฟ้มบันทึกรายงานนี่อยู่ที่ใครคะพี่ใหญ่พี่กลางชายันหรือว่าคุณอำิพลพร้อมกับพูด ราชสกุลสาววางโน้ตที่หล่อนเก็บได้และอ่านข้อความโต้อตอบกันโดยตลอดแล้วนั้นลงไปบนโต๊ะพร้อมทั้งเลื่อนที่เขียบุรีแก้วมาทับไว้กันเปริวเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนทราบว่าหล่อนพอจะเข้าใจอะไรหมดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องซ่อนเร้นหรือสงวนเป็นความลับอีกต่อไปพี่พน้อยกาลังไม่สบายขึ้นไปนอนพักสก่อนดีไม เดี๋ยวพี่จะอยู่หารือกับสามคนนี่เช่ฐาตัดบทกลบเกลื่อนน้องสาวสั่นศีรษะอย่างช่ช้าแต่เด็ดเดี่ยวน้อยสบายดีค่ะพี่ใหญ่แล้วก็รับรองว่าจะไม่เป็นอะไรเพราะหัวใจมันเจ็บปวดบอบช้ำซะจนชาแล้วขอดูรูปหน่อยค่ะผู้ชายทั้งสามคนนี่เห็นแล้วก็จำหน้าได้แล้ว แต่ผู้หญิงอีกสองคนที่ร่วมคณะไปด้วยมีใครแกะออกไปหรือแต่บันทึกรูปพัณฑ์เป็นตัวอักษรเท่านั้นอนุชาพยักหน้ากับพี่ชายใหญ่ไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนแล้วล่ะเอาให้ดูเถอะพี่ใหญ่เชื่อตาแววตาไม่สบายใจจาใจต้องดึงรูปชุดนั้นออกมาส่งให้น้องสาวเงียบๆทำกลางาความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกของทุกคน ทุกสายตาจับสังเกตมาที่ดารินเป็นตาเดียวเห็นหล่อนคลี่รูปชุดนั้นออกพิจารณาดูทีละรูปอย่างเพ่งพินิษทั้งหมดมีอยู่ประมาณ6หรือ7ภาพของบริการสาวทั้งสองในอิริยาบถต่างๆรวมทั้งภาพหน้าเต็มชัดเจนด้วยภาพสีสดเห็นจัดแจ้งทั้งสีผมสีตาและสีผิวดารินดูไปทีละรูป รูปละประมาณเกือบสิบวินาทีและสลับซ้ำวนเวียนอยู่สองรอบใบหน้านสีขาวปรากฏริ้วรอยแดงแล้วสีสีดแล้วแดงสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนั้นแต่กิริยาภายนอกสงบและในที่สุดกล่อนก็แยกรูปเอาไว้เป็นสองพวกชุดของแม่ผมทองชุดหนึ่งและชุดแม่ผมแดง อีกชุดนึงวางชุดของแม่ผมแดงไว้บนตักก่อนหันมาเพ่งเฉพาะแม่ผมทองอีกครั้งผู้หญิงบอนแฮร์บรูอายคนนี้นี่ชื่ออะไรนะหล่นชูขึ้นถามไปทางนายอัมพลหางเสียงแตกพร่าชื่อคริสครับคริสตินากรูบินครับนายอัมพลอ้อมแอมแทบจะฟังไม่รู้เรื่อง เป็นนักเคมีฟิสิกส์เหรอครับผมดารินนั่งเอามือเท้าคางดูแล้วดูอีกเหมือนจะให้ทะลุภาพเข้าไปให้เห็นภายในเมมริ่มที่ปากเกือเป็นเส้นตรงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาพของอิสเบอร์ทำในอาการเดิมคือเพ่งไปทีลภาพคนนี้บูเน็ตบราวน์สไอหล่อนพึ่งทัง คนนี้คงจะเป็นหมอกับนักธรณีวิทยาละมั้งครับผมน้องสาวเล็กของตระกูลมองดูพี่ชายทั้งสองที่จ้องอยู่ก่อนแล้วฝืนยิ้มให้ไมาเข้าใจแล้วล่ะทาไมพี่กลางกับคุณนําพลถึงต้องใช้ภาษาเขียนซักถามข้อความกันและทำไมพี่ใหญ่ถึงจะต้องดึงรูปผู้หญิงสองคนนี่ออกด้วยคงจะมึกคงจะนึกมังคะว่าท่านน้อยเห็น คงจะต้องเต้นเป็นนิ้วเพราะทั้งสองคนนี่รูปร่างหน้าตาขนาดส่งประกวดมิสยูนิเวอร์สหรือมิส w o ล l d ได้สบายหล่อนสั่นสีสั่งแช่มช้าเน้นเสียงหนักแน่น